ใจเป็นประธานพระพุทธภาสิตสั้นตังตสะมนางโหติสั้นตาวาจาจะกรรมะจะสมะดัญญาวิมุตตะสะอุปสรรตสะตาดิโนแปลว่าใจของบุคคลผู้หลุดพ้นเพราะรู้ชอบผู้สงบระงับผู้คงที่ย่อมเป็นใจที่สงบเมื่อใจสงบแล้วกายและวาจาก็สงบด้วยอธิบายความ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 โลกโกรธหลงน้อยลงเพียงใดใจก็สงบลงเพียงนั้นใจสงบแล้วกายวาจาก็สงบตามไม่มีทุจริตทางกายทางวาจาสังคมก็สงบประเทศสงบและโลกสงบไม่มีการประทุสร้ายใดๆอยู่อีกความร่มเย็นก็จะเกิดขึ้นทั่วไปพระศาสดาตรัสเรื่องนี้ขณะที่ประทับอยู่ณวัดเชเทวันทรงปรารบสามนเณรของพระสิสะเถระมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ เริ่มพระติสาเถระชาวเมืองโกสัมพีพระติสาเถระเป็นชาวโกสัมพีเมื่อบุดแล้วก็อยู่ประจําที่กรุงโกสัมพีวันหนึ่งอุบาสกผู้หนึ่งนำไตรจีวรเนยสายและนําอ้อยมาถวายพระเถระพระเถระปฏิเสธว่าไม่ต้องการของเหล่านี้เพราะไม่จําเป็นอุบาสกเรียนว่าเขาหนีมนท่านไว้อยู่จำพรรษา คราที่เขาหนินมนให้อยู่จำภาภรษาจะต้องในรลาบอย่างนี้ทุกรูปพระเถระจึงบอกว่าไม่มีสามะเนนสำหรับเก็บรักษาท่านเก็บรักษาเองไม่ได้อุบาสกทราบดังนั้นจึงให้บุตรของตนอายุเจ็ดขวบบวชเป็นสามะเนนอยู่รับใช้พระเถระสามะเนนได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเอง ล่วงไปครึ่งเดือนพระเถระพาสามเณรไปภาพระศาสดาที่มองสาวัตถีพักกลางทางที่วัดแห่งหนึ่งสามเณรจัดแจงปัดกวาดเสนาสนะให้อุปชายจนหมดเวลาไม่มีเวลาสำหรับเตรียมที่พักของตนเองพระเถระทราบดังนั้นจึงให้สามเณรพักในห้องของท่านพอถึงคืนที่สามสามเณรคิดว่าคืนนี้ถ้าตนนอนกับพระเถระท่านก็จะต้องอาบับในข้อสหัสัย คือตามพระพธบัญญัติท่านห้ามอนุปสมบันคือผู้ที่ไม่ใช่ภิกษุนอนร่วมห้องเดียวกันกับภิกษุเกินสามคืนถ้านอนเป็นอาบัติปาจิตีข้อสาอาศัยคือนอนร่วมห้องเดียวกันเกินสามคืนผู้เขียนสัมภเวสจึงนั่งอยู่ตลอดคืนไม่ได้นอนส่วนพระเถระเนื่องจากยังเป็นพุทธชนพอล้มลงนอนก็หลับเลยเด่นขึ้นตอนใกล้รุง่ง จำได้ว่าคืนนั้นเป็นคืนที่สามแล้วที่นอนร่วมห้องกับสามเณรต้องการให้สามเณรออกไปข้างนอกเสียก่อนร่วงอรุณ์เพื่อไม่ให้เป็นอาบัตจึงเอาพัดใบตาลตีลงที่เสือ่อเพื่อปลุกสามเณรให้ตื่นด้วยเข้อใจว่าสามเณรหลับใบพัดกระทบตาสามเณรจนบอดสามเณรไม่ได้พูดอะไรเลยทราบความประสงค์ของอุปชาแล้วเอามือข้างหนึ่งกุมตาและออกไปข้างนอกเมื่อถึงเวลาทำหน้าที่ สามเณรไม่ได้นิ่งดูได้ว่าตาของเราแตกเสียแล้วเอามือข้างหนึ่งกลุ้มในตามือข้างหนึ่งจับไม่กวาดกวาดบริเวณแลว้วไปจึดีคือซ่วงตั้งน้ําฉันน้ำใช้ไว้ให้พระธีระเมื่อถึงเวลาถวายมาสีฟันแกลพระอุปชาสามเณรส่งให้ด้วยมือเดียวพระอุปชากล่าวว่าสามเณรนี้สอนไม่รู้จักจําเคยสอนให้ส่งของให้ด้วยมือทั้งสอง นี่ส่งให้ด้วยมือเพียงข้างเดียวสามเณรไม่รู้จักวัดอันดีสามเณรตอบว่าเธอทราบดีว่าควรทําอย่างไรแต่มือข้างหนึ่งของเธอไม่วาดจึงต้องถวายด้วยมือข้างเดียวเมื่อพระเถระถามสามเณรเล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังพระเถระได้ความสังเวชสลดใจว่าโอ๋หนอเราทํากรรมหนักสิแล้วพระเถระได้นั่งกระยงประนมมือต่อหน้าสามเณร ขอให้สามนเณรยกโทษว่าท่านสัตตบุรุษจงยกโทษแก่ฉันเถิดฉันไม่รู้ความจริงเรื่องน้ำจึงดุท่านสามนเณรเรียนพระเถระว่าท่านผูเจริญที่กระผมพูดนั้นมิได้ต้องการสิ่งนี้องเล็บเปิดคือมิได้ต้องการคําขอโทษวงเล็บปิดแต่กระผมต้องการรักษาน้ําใจของท่านจึงพูดเช่นนั้นอันหนึ่งขอท่านอย่าได้เดือดร้อนเลย ในเรื่องนี้โทษของท่านก็ไม่มีโทษของกระผมก็ไม่มีแต่เป็นโทษของวัตตะต่างหางที่กระผมไม่บอกท่านก่อนก็เพื่อมิให้ท่านต้องเดือดร้อนพระเถระแม้สามเณรพูดปลอบให้เบาใจอยู่ก็หาได้เบาใจไม่มีความสลดใจยิ่งขึ้นถือเอาห่อของของสามเณรไปสู่สนพระาศาสดาแม้พระาศาสดาก็ประทับนั่งทอดพระเนตรการมาของพระเถระตรัสถามว่า ภิกษุเธอพอทนได้หรือกว่าไม่ผาสุขอะไรอะไรที่รุนแรงไม่ได้มีหรือพระเถระกราบทูลว่าพอทนได้พระเจ้าข่ากว่าไม่ผาสุขกไรๆของข้าพระองค์ไม่มีมีอยู่อย่างหนึ่งที่จะกราบทูลพระองค์คือใครอื่นผู้มีคุณอย่างล้นเหลือเช่นสามเณรน้อยนี้มิได้มีข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเรื่องอะไรเล่าภิกษุพระศราสดาตรัสถาม พระเถระทูลความทังปวงให้พระศ า, ศาสนาสงสารแล้วเสริมว่าพระเจ้าข่าสามเณร น, นี้เมื่อข้าพระองค์ขอโทษอยู่ยังกล่าวว่าในข้อนี้โทษของท่านไม่มีโทษของกระผมไม่มีแต่เป็นโทษของวัดตักขอท่านอย่าได้คิดมากเลยสามเณรยังข้าพระองค์ให้เบาใจไม่โกรธไม่ประทุสร้ายในข้าพระองค์เลยข้าพระองค์ไม่เคยเห็นใครสมบูรณ์ด้วยคุณเห็นปานนี้พระศาสนาตรัสว่า อย่างนั้นแหละภิษุธรรมดาพระขี่นาศย่อมไม่โกรธไม่ประทุสร้ายต่อใครๆเป็นผู้มีอินทรีย์สงบแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าส้นตังตสะมนังโหติเป็นอาทิมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพระติสเถระชามืองโกสัมพีได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลาย